ก็อยากขอพูดขึ้นเรื่องของพกรรมฐ า, านเลยเพราะว่าในวันก่อนๆเราพูดกันมาทิฏฐิอารมณ์คำว่าอารมณ์ที่จะเข้าถึงพระกรรมฐ า, านวันนี้ก็อยากขึ้นกสิณสิทธิ์กสิณเนี่ยมีสิบอย่างมีปฐวีกสิงกสิณดินเป็นต้นนี่ใครจำมาสิณสิทธิวได้หมดแล้ ว, วนน อ, อ่านซื้อมานานแล้ว อันได้ไหมเขาต้องท่องเืราว่าอารมณ์กรรมฐานเรื่องสี่สิบอย่างเนี่ยต้องท่องให้จําได้ให้หมดแล้วก็ดูนิมิตคืออารมณ์ของกรรมฐานแต่ละอย่างที่เราเคยพูดกับเราอะไรไม่เกิดเนี่ยต้องท่องให้จาได้แล้วก็สิ้นสิบอย่างมีอะไรบ้างแล้วก็สินแต่ละอย่างมีนิมิตไปยังไงอสุจิมีอะไรบ้างอาการหัอสุจิแต่ละอย่างไปยังไง อนุสติสิทธมีอะไรบ้างอะไรพวกนี้ต้องข้ อ, อเท็จจริงใจแล้วก็รู้มิตด้วยไม่ใช่แค่การจเจริญทุกกรรมฐ า, านเนี่ยมันดียากบางทีเราทํากรรมฐ า, านกองนี้อยู่แต่ถ้าว่ามิมิตพออีกองหนึ่งปรากฏซึ่งเป็นกรรมฐ า, านเดิมก็จะจับได้ทันทีแล้วก็ถ้าจับได้ก็ต้องรู้จุดว่ากรรมฐ า, านกองนี้เข้าถึงระดับไหน ทำมาเข้าถึงระดับไหนจะทรงชายอันดับไหนต้องรู้ถ้าสร่งลำดับนั้นได้แล้วก็ทรงให้ได้มันดีจริงๆเราส่งอยู่ดีจริงๆเราส่งยินได้เราจึงจะย้ายไปกรรมฐานาของอื่อ น, นมีมีความสาคัญนี่สำหรับเกษินสิก็มีอะไรมีปฐวีเกษินเกษินดิน อาโปกัสิงกะสินน้ำวายูกสิงกะสินลมเตโชกัสิงกะสินไก็อาจจะพูดสลับข้อกันนะแล้วก็มีโนติกัสสิงสีแดงมีตะกัสิงสีเขียวโอทาตะกัสสิงสีเหลืองอาโลกะสิงสีขาวไม่ใช่ก่อนนาปิตกะสิงสีเหลืองโอทาตะกสิงสีขาวอาโลกะสิงแสงสว่างอากาศกัสิงคือากาศ รวมสิดอย่างด้วยกันที่ทำมากระสินในที่นี้ในเฉพาะวิสุทธิมรรคทำแปร่าสดึงในเครื่องหมายไอ้ทำมาสดึงมีหมายความว่าสมัยก่อนแ้าเขาจะทำกระสินแล้วก็ไม้มาทำเป็นวงเข้าแล้วก็ผ้าขึงวมมกว้างประมาณครึ่กว่า แล้วหาว่าถ้าเราจะใช้เปกระสินดินก็กาวกระสินเสียเอาดินเสียรุ่นมาคำว่าดินเสียรุนนี่เห็นจะได้กระดิ่งขุยปูโตขึ้นมาเป็นสีแดงสีเหลืองแดงนมันก็ไม่แดงเลยทีเดียวเอามาทาผ้าต่อแล้วก็นั่งเสียงทําป็นว ง, งกลมๆนะตอนนี้บางองค์เขาวิจเกตําแบบนั้นนี่ว่าตามแบบบางองค์วิจเกต ไม่เอาเป็นนดา้ยาเสียดีถาา้าย่าเสเรียบร้อยให้เปียนแล้วดินพวกรั้นมนทาทาต่อแล้วก็นั่งดูดินนี่การจเจริญกัสินเกน้าสินเนี่ยพระพุทธเจ้าในาวิสุทธิมกกรรคขึ้นกัสินก่อนเพื่อนแทนนี่เขึ้นอนุสติหรือว่าอสุปกับมาสารท่านขึ้นต้นในกำนิดขึญญ้กสินติดก่อนถยงไปว่าถ้าอนุสติล้วอสุปก็อย่างอื่นต่อไป ทั้งนี้พ่อใหญ่พระว่ากสินเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ทําติดให้เข้าถึงสมาธิได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเราสามารถจะพิจารณาอารมณ์เราว่าทงสมาธิอยู่ได้นานแค่ไหนเขาเรียกว่ากรรมฐานหยาบกาเป็นกรรมกรรมฐานหยาบจริงๆเพราะมีอารมณ์มีมีภาพหยาบมีอารมณ์หยาบถ้าหยาบก็คุณจะคิดมันเร็วนะ พวกที ط, ่เขาทำฌานสมาบัต <t ip> ิเรียว่าได้ฤทธิ์เรอว่าวิอาระสัญญาหกก็ดีเรว่าวิชาสามก็ดีหรือปฏิสัมมิทายานก็ดีต้องอาศัยกระสินเป็นมาตรฐานถ้าเราไม่ได้กสินเราก็ใช้ขอประเภทนั้นไม่ได้วิชาสามก็ไม่ได้สิญญาหกก็ไม่ได้ปฏิสัมมิทายานก็ไม่ได้ นี่ต้องได้กระสิงก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะเดินรถธรรมทานถ้าเราใช้กระสิงก่อนนี่ก็ดูมันว่าจะมีประโยชน์มากสําหรับอารมณ์จิตที่สับกระสนใจระวังือเพราะว่ากระสิง ม, มีนิมิตเพื่อสังเกตนี่สําหรับกระสิงนี่แบ่งออกเป็นสองประเภทได้ว่า ปัทวีกัสสินเตโชกัสสินวาโยกัสสินอาโปกสินในกระดินน้ำลมไฟแล้วก็อาโลกัสสินกัอากาศกัสสินอีกหกอย่างอีกสองอย่างรวมเป็นหกอันนี้เกตเป็นกรรมฐานกลางปฏิบัติได้ทุกอัตเตอรทุกจริตหมายความว่าท่านจะมีจริตเซนราคาจริตโทสาจริตโมหจริตชีตกจริตพุทธจริตปัถาจริตและพุทธจริตแต่ละาม อย่างนี้ทําได้ไม่ขาดตัวจริตเป็นกรรมาฐานกลางอย่างที่วัดปลักน้าสอนให้แข่งดวงนั่นเป็นอาโลกสินเห็นอโลกสินก็เป็นกระสินสําหรับได้ทิศยกขยานหรือว่ามโนเยติเป็นกสินที่มีความดีมากสําคัญมากเพระว่าทั้งหกอย่างนี้เป็นกระสินกลางเป็นกรรมาฐานกลางได้ตจริตโดยไม่ต้องเลือกจริตสาหรับอีกสีอย่าง คือเราเห็นกระจสินสีตกะกระจกสินอันนี้นะกระจกสินอะไรอีกอย่างละวะสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวใจโอ้ท่าจะกระจกสินจะเห็นสีขาวอันนี้สําหรับระงับโทสะจริตเป็นคู่กับบมิหาสีสําหรับคนที่ตั้งอยู่ในโทสะจริตก็ใช้กระจกสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องเจริญ อารมณ์คองโทสะจะเบาบางลงถึงที่สุดนี่พูดกันในฟังนีคําว่าการสินในที่นี้ในบางแห่งท่าแปลว่าสะดึงถ้าเราจะแปลกันในชัดจริงๆแล้วก็คนเรียกว่านิมิตถ้าทํำสดึงขึ้นมาจะหวังยับเพ่งรูปปัตติ์ให้เป็นนิมิตติดตาเราก็เลยเรียกเธอว่าตรงๆไปตรงมาเรียกว่านิมิตกาสินก็แปลว่าเครื่องหมายหรือว่านิมิต ในสําหรับการสาหรับกสิณ น, นี้ถ้าเราเรียนกันอย่างเดียวมันก็หมดตีดอย่างให้การเจริญเพืก่กกามฐานให้กมามฐานเป็นหมดถ้าเขาว่าเราได้หมดใดหมดหนึ่งเสียใ้อย่างใดอย่างหนึ่งในหมดนั้นสิน่งเอานี่เราเจริญกสิณเท่าเราขึ้นอัทวีกสิณได้เพีงชานสี่กสิณ อ, อื่นอีกไม่กี่วันกนไดหมดถ้ารวมมันเหมือนกัน ให้เราเวลาจเจริญเราจะเจริญกสินณปฐวีกสิณต้นหรือว่าเราจะเจริญอันไหนก่อนก็ได้ไม่จำกัดให้เป็นไปตามอัตยญาสา ย, ยสำหรับวันนี้ก็อยาขอพูดตอนต้นนี้ขอพูดเรื่องปฐวีกสิณตามแบบคำว่าปฐวีนี่กปลว่า ด, ดินเนี่ยเรามีดินมาสําหรับเพ่งแต่ว่าดินสําหรับกบสิณจะต้องใช้เป็นดินสีอรุณ คน จ, จะดินรู้จักดินเสีอรุ่นว่าเป็นไงขุยปูนอนขุยปูขุยดังมันก็ไม่ใช่นะมันมีแดงๆหน่อยๆนะแต่ว่าขุยปูเนี่ยมันต้องกดทั้งดินแดงนะแค่ดินขยุปนยปูใช้ได้ถ้าเราจะทํากระสินแบบนี้เราก็ไปหาดินขยนุยปูมาหรือว่าไม่ใช่ขุยปูแต่ว่าดินสีแดงก็ใช้ได้เขาถือว่าเป็นดินที่ไม่มีผลโดยสม่ำ ถ้าสีเป็นอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่สีดินแท่ น, นี่พระพุทธเจ้าสว่างอันนะท่านถือว่าไม่ใช่สีดินแท้สีดำสีเขียวถ้าสีดำมันก็กลายปนี้และสินไปไม่ใช่ปฐวีและถึงแม้ดินประเภทดินขุยปจะมีสีแดงห น, หน่อยหนอยมาทาพื้นเดีย๋ยวเราเกียรติทำปะดิง้งเราทาขอโต้ทาเพิ่ก็ได้ใช่ไหโต้ทาตัวกระป๋องอะไรก็ได้ไม่กัน กระคืบครึ้งไอ้กระคืบครึ้งก็สิบสองนิ้วก็ประมาณสิบแปดนิ้วถ้ามันมองแล้วก็มันไม่เลยมันไม่เลยขอบของตาเวลาจะตั้งมงกุฎศีลก็ตั้งอยู่ประมาณสักสองคืบพางออกไปเดี๋ยวไม่ใกล้เกินไปไม่ใกล้เกินไป <c oughs> นี่เวลาปฏิบัติกสิลเขาเมื่อก็ทํามงกุฎศีลแล้วไอ้ฐานีิมิตสมัครศีลแล้วสมมติเราเป็นฐานิมิตศีลดิน ในเวลากำลังแบบองค์สิทธิ์ที่เขาตั้งแหละความจริงเขาไม่ได้ตั้ง่าค่าที่นอนเขาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้เป็นที่สงฆนะเวลาสงับที่ปราศจากคนเวลาคนเดินทุกล้านไนมะ่ไปทำกันมาพางเขาพระพุทธเจ้าท่าดนดิว่าเป็นการทำอวดเขาจัดเป็นอุปกิเลส ขโมงป ก, กิเลสอุปะแปลว่าเข้าถึงกิเลสเรื่อความเศร้าหมองนี่เราจะชำระใจของเราให้สะอาดแต่เราก็ไปคบกับความเศร้าหมองเข้ามันก็เกิดความเลยยำแทนที่เราจะพ้นกิเลสกับเราไปชนกับกิเลสอีกหมดท่ากันใช่ไม่ได้ในเบรการหนึ่งถ้าคนคุก่านจิตใจของเราอาจจะใส่ไปสัวอารมณ์มันจะไม่ทรงสมาธิไม่เกิดประโยชน์มันเสียสองอย่าง ในเวลาที่เขาปฏิบัติกันผมเองผมขึ้นกับสินก่อนเหมือนกันท่านแรกก็คืนออนนาปาณุปติกกับพุทธานุปติกจากวันที่สี่ไปก็ใช้กับสินแล้วเลยเฟยปฏิบัติมาเขาก็นำเอาวงกรสินเนี่ยไปตั้งไวทไ้ที่ใดที่หนึ่งจถึงเวลาสงับจะก็เป็นนั่งอาพัะกอกคือลืมตามองดูให้ดีจำภาพกสินให้ชัดแล้วก็หลับตา ถ้าเป็นปตวีกสินแล้วก็ภาวนาว่าปตวีกสต <Hey. S 2> ินังแผลวดินตล้วนี้เครื่องหมายนี่มิตร น, นี้คือ ด, ดินถ้าอย่าดําไปแปละนะยุง <Hey. S 2> เวลาปฏิบัติกินให้อย่าไปแปลมนะันออกจำไม่ว่านี่ดินดินดินดินดินเพราะเขาใช้ธรรมานาว่าปตวีกสิ น, นังถ้า ต, ตอนนี้เราไม่ต้องจับอนาปาก็ได้นะ เพาว่าเราใช้กับสิงเนี้ยถ้า เ, อ, เอาเมื่อเออเราจะปนาปามันที่จะยุ่งถ้าไม่ยุ่งก็ดีมากให้ชันเร็วแล้ว่าตามแบบแทงขึ้นจากสิงก่อนที่ต้างไปพูดถึนาปาแล้ว น, นี่เมื่อจับภาพดินได้แล้วแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินไม่ใช่ภาพลอยมานะถ้ามีภาพอะไรลอยมาให้ทิ้งทันที่ะเข้าไปยุ่งแล้วก็อย่าคิดว่าดีให้เจ้าภาพลอยเนี่ยมันเป็นภาพตัด ถ้าแปลว่ากิเลสมานตามที่เรียนกันในแบบพระธรรโต ว, ว่ามานมันมีสี่อย่างอย่างขันธ์มันมันเทวปฏิามาณกิเลสมานไอ้นี่เป็นกิเลสมานเพราะ ว, ว่าคําว่ามาระธรรมาณนี่ก็แปลว่าผู้ฆ่าหรือผู้ทำลายตอนนี้ถ้ญญาจิตเราเข้าถึงอุปจารสมาธิมันจะมีภาพลอยมาไอ้ตัวนี้ถ้าว่าเราไปยุ่งกับมันเข้าแล้วก็ทิ้งภาพกระสิน พอทิ้งเท้ากสิ้นไปยุ่งกับมันติดก็เคลื่อนจักมาพี่ตัวนี้สําคัญมากอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดจงจําไว้อย่างเดียวว่าเราต้องการอะไรในขณะที่เราปฏิบัติประกรมฐานนิมิตแบบไหนที่เราตั้งใจว่าเราจะส่งไว้คือเราจะจาําไว้เห็นภาพนั้นต้องใช้นิมิตอย่างนั้นอย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับนิมิตอื่น นี่ต้องจำให้ขึ้นใจแล้วก็ถือเป็นคำพีเลยคำว่าถือเป็นในภาษาพ ร, าาระอาากถอถือเป็นสาสณะเอาเป็นที่หนึ่งภาษาไทยๆเราถือเป็นคำพีจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ถ้าทำไมว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะถ้าว่าคนว่าว่าคนที่เขาทำได้ดีมาแล้วที่พระพุทธเจ้าเป็นตน พระองค์ทําแบบนี้ในผลดีและพระอรหันต์ทุกองค์ก็ทําแบบนี้เรามาทีหลังก็ต้องทําแบบนั้นถ้าเราไปทําแบบที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญและไม่ทรงสวยก็สแสดงว่าแบบนั้นมันใช่ไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าก่อนยานิพานก็บอกแล้วาเรื่องขึ้นชื่อว่าความลี้ลับอันใดกาปรปกปิดอันใดสําหรับข้อวัดปฏิบัติสําหรับเราไม่มีเราเปิดเผยหมดแล้วเราบอกพวกเธอหมดแล้ว เพราะนั้นส่วนใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนก็ไม่กล่าวว่าดีหรือว่าคิดพระพุทธเจ้า ว, ว่าอันนี้ไม่ดีไม่ดีจงอย่าทําซึ่งทําไปมันต้องไม่ดีแนะ่ถ้าที่รู้เจ้าบอกว่าดีจะมีคนอื่นมาค้านเขาก็ไม่ดีแล้วก็ดูให้ทีบว่าคนนั้นเป็นพระอาหารหันต์หรือเปล่าหรือว่าคนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าพระอารหันต์ลกองค์ไม่มีใครวัดรอยเท้าพระพุทธเจ้า คือหมายความว่าพุทธพจน์ใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่มีพระหันองค์ใดคลายคานหรือฝ่าฝืนต้องปฏิบัติตามนั้นฉะนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนบกว่าถ้าเราจำนิมิตจะสิ้นกำลังจําอยู่ถ้ามีภาพอื่นแทรกมาต้องทิ้งภาพนั้นทันทีเอาจิตจับเฉพาะนิมิตนั้นม่นวิธีจิตจับเฉพาะนิมิตนั้นเราทํำยังไงเขาจํา ไม่ใช่ภาพลอยมานะลืมตาดูจําให้ดีถ้าหลับตานั่งนึกถึงภาพถ้าหลับตานั่งนึกถึงภาพแล้วประเดี๋ยวภาพมันก็หายใจแล้วมันสายทีตอนนี้เราก็วัดใจเราได้วันนี้สมาธิขึ้นซะแล้วนึกอีกมันก็จําภาพมาถนัดลืมตา ม, มาดูใหม่ คุณจะไปเชื่อใครกันนะว่า น, นักจเจริญเขาจะมาฉันหลับตาแล้วลืมตาไม่ได้ลืมตาแล้วเป็นบ้าให้คนที่ไม่ลืมตาเนีเกิดบ้ามาหลายรายแล้วเพราะอะไรดีไม่ดีอาจารย์ระยำเพราะว่ามีอะไรกระทบกระทั่งก็ห้ามลืมตาห้ามใช้เสียงห้ามปริเสธท่นนี้ก็มีลูกศิษย์เป็นผู้หญิง พอดับไฟหลับตามหมดอาจารย์ย่องเข้าไปคลามรกสิลป์ร็ห้ห้ามลืมตาห้ามใชเสียงห้ามปฏิเสธด้วยอันนี้มันมีมาแล้วนะนี่มันเป็นลีลาของคนเลวนี่ตามแบบของมรรคติเจ้าอาจารย์จำกระสินลาลืมตาดูลืมตาดูพ็จำภาพได้หลับตานั่งนึกถึงภาพ นี่ไอการนึกถึงภาพประเดี๋ยวมันก็หายแน่มันไม่ทรงโยกเพราะว่าติทั้งเรายังไม่เป็ดสมาธิจริงเมื่อเห็นว่าภาพมันเลือนไปแน่นึกไหม่ออกว่าภาพาอะไรกันแน่ก็ลืมตา ม, มาดูใหม่ลืมตา ม, มันดูแล้วก็เพิ่งห้จำได้อันนี้เวลาเราใช้ดินจงทามถ้ามันเป็นขอบอะไรอยะู่ทาให้สีมันเหมือนกัน แม้สีมจะค้อนึ้นมาจะกลายเป็ น, นสีนสองอย่างมันจะหลอกกันลืมตาตั้งใจดูด้วยความสงบเห็นถ้าว่าจำได้แล้วก็หลับตาอีกหลับตาไม่ถึงภาพนั้นถ้าเป็นปัจวีกสีก็ภาวนาว่าปัวีกสินังภาพอย่างนี้พอเดี๋ยวมันก็หายไปสมัยแหละหายไปอีกออลืมตามาดูใหม่อีตรงหายเนี่ยเราเป็นเครื่องวัสมาธิ ไม่กด้สิน่น่าดีอย่างนี้สําหรับนักพักมารฐานใหม่แล้วพวกคุณไม่ต้องกลัวบ้าอย่าเพิ่บอกวิธีบ้าถ้าว่าคุณรู้วิธีบ้าแล้วคุณไม่บ้าไปตามนั้นมันก็ไม่บ้าทั้งนั้นคุณจะลื ม, มถ้าไม่รู้วิธีบ้ามันก็บ้าจริงๆเหมือนกันนี่พอลืมตาพอนั่งหลับตาบ้างลืมตาบ้างคิดว่าเราจําได้ดีแล้วก็กลับไปนอน กลับมาที่ทั้งตัวแล้วก็วันนั่งเล่นน้อยก็ได้นึกถึงภาพนั้นอยู่ตลอดเวลานึกถึงภาพนัน้นมันจะตลอดเวลาความจริงก็ไม่ได้เอาแค่พอใจสมายพอรู้สึกว่าร่มเหมนืยก็เลิกนอนแต่นี่ว่าก็ทั้งกลางคืนนะทั้งวันก็ทําได้อันนี้ฮะว่าเวลาตื่นขึ้นมาเช้ามดืดเราก็หลงนึกถึงข้าวกระดิ่งนั่นดูจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ไม่จํากัด ถ้าเราคิดว่าเราจะลุกนั่งขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะเคลื่อนถ้าเราก็คนนอนอย่างนั้นแหละไม่ถึงภาพกระจินผมไม่ถือว่าเป็นการที่เกียดเพราะ อ, อิติญาบทนั้งที่คืนนั่งนอนยืนเดินมันใช้ได้ทั้งหมดเห็นนั่นไมถึงภาพนั้นได้เราก็ไม่ถึงภาพโดยไม่ต้องไปดูภาพกระจิน เห็นถ้าวันเลอะมันเลือนจริงๆก็เอาเอาภาพอดสิมมาไว้ไปไกลนอนดูแล้วถ้านอนดูนี่ไม่ได้มันจะแขงข้างลูกก็นั่งดูให้จำได้มันยังอยากนั่งอยู่คนนั่งมันอยากนอนก่อนนอนมึเป็นภาพนั้นทำแค่นี้นะนี่ดีกว่าตอนนี้สมมติว่าเราดูไปดูมาดูมาดูไปแบบนี้สักสองวันสามวันก้วันสบ่งก็ตาม เมื่อก่อนหนีไปบ้างไม่ น, นี้บ้างดูจังหวะของมันแล้วต่อมาถ้าว่าภาพนั้นปรากฏสู่เราคิดว่านี่จะทรงภาพนี้ไว้สักห้านาทีหรือสิบนาทียี่สิบนาทียิ่งให้เกินไปนะักถ้าว่าทรงอยู่ได้ในขนาดนั้นแต่ว่ามันยังไม่ถอนจิตยังทรงอยู่ก็ปล่อยมันไปถ้าบังเอิญมันเลือนไปจิตเลื่อนสายทรงไม่ไหว ก็เลิกแล้วก็ได้พักให้ใจสบายพราะใจสบายแล้วเราไม่มีจิตทําอะไรแล้วก็นึกเรื่ภาพนั้นใหม่ที่ตอนนี้ผ่หมายความว่าเราไม่ต้องดูภาพแล้วก็ไม่เห็นภาพได้แต่ว่าจําภาพได้นะโดยไม่ต้องเดินไปหาวงก็ะสินอีกเมื่อขึ้นมาเมารัยเห็นภาพเหมือนนั้นตอนนี้เวลาไปบิดาบัติตะทุระ เดินไปแล้วพอมันว่างจากการคุยว่างจากธุระอื่นไม่มีอะไรมากดป น, นึกถึงภาพนั้นเวลาเดินไปถ้ามันตรงอยู่ที่เขาเรียกว่าจงกรมถ้าไมจงกรมนี่ก็แปลว่าเดินเราจะเดินในระหว่างฝึกก็ได้หรือว่าเดินไปธุระไปบิดามาดไปธุระที่ไหนก็ได้อันนี้ในสมัยที่อันนี้ไม่ใช่ว่าพูดเรื่องธรรมะเราอ้างออตัวไปสำคัญ เพราะว่าในสมัยนั้นในขณะที่ผมปฏิบัติกันน่ะมันมีพระไม่เคยดีอยู่หลายองค์ฮึแม่วิเชลีเขาเรียกว่าบมบมนะอที่บมนี่เพราะอะไรว่าปุณณีไม่ยอมปล่อยนิมิตจะเดินไปรรทุระคิณไหนก็าตามจะ น, นั่งอยู่จะไปบินธรรมศาสตร์ไปไหนก็ตามเขาจะไม่ยอมปล่อยนิมิตเิด็าดไอ้จตองนิมิตนั่นอยู่ตนอดเวลา เดิมากเข่าเวลาไปบินาบดได้ปัสสร ะ, สระเดินเวลาเดินจงกรมเนี่ยไม่ส้งสันเพราเวลานั้นเราอยู่ในที่สงัดเขาจะต้องทรงสมาธิให้อยู่ในระหว่างจงกรมคือเดินไปเดินมาเดินจงกรมเนี่ยเหมือนกันเดินแบบสบายๆนะคุณจะไปค่อยๆย ก, กค่อยๆย่างอันนี้ใช่ไม่ได้คําว่าจงกรมก็แปลว่าเดินพระพุทธเจ้าให้ทรงสติสัมปชัญญะในเวลาเดินปกติ อันนี้หากว่าเราไปหัดเดินช้าๆเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องถ้าเดินไวแต่มันหลุดใช้ไม่ได้เท้าอยามปกติถ้าจงกรมอยู่ในที่สงบล้วก็เห็นภาพชัดอยูตลอดเวลาพอนี้เวลาเดินไปทุละผ่านคนไปคนไม้ก็ช่างฉันนึกเห็นภาพอยู่ในใจยอยู่เสมอ น, นึกเห็นนะไม่ใช่ภาพลอยมาทางตานึกเห็นภาพอยู่แต่ภาพนี้ยังเป็นสีเดิม ยังเป็นรูปดินธรรมดาเราเรียกกันว่าอกกาหะมิมิทใช่ไหมจําได้ไหมอกกาหะนิมิตแปลว่านิมิตจิตตาในถ้าไปเทียบกับสมาธิเขาก็ยังเรียกว่าคณิกะสมาธิขั้นสูงแตอสมาธิเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าทางจิตมันทรงอยู่ได้นานและเรียกว่าอกกาณิกะสมาธิขั้นสูง แในขณะที่เราฝึกดูภาพกระสินใหม่ๆตอนนี้เห็นแล้วก็จําได้จําได้แต่เดี๋ยวก็หายไปหายไปนึกไม่ออกลืมตามมาดูใหม่แล้วก็ทรงไว้ได้สองสานาทีหรือห้านาทีมันก็หายไปอันนี้เ้าเรียกว่าขันนิกาสมาธิอันดับเล็กคือเริ่มตน้นตอนนี้ถ้าหากว่านับก็เป็นนีมม้มิก็เรียกว่าโอกาสนิมิกเหมือนกัน สต่แมาเป็นสมาธิมันเป็นขัน้นอกาสมาธิท่านบอกสมาธิเล็กน้อยไปใช้อะไรไม่ได้คำว่าใช้ไม่ได้นี่เราหมายถึงชานแต่ความดีการทรงสมาธิเล็กน้อยเนี่ยเราเป็นเทวดาแบบสบายเลยนะเราเป็นเทวดาในดัตสมาสบายถ้าเราไม่ทิ้งความดีท่นี้มาจุดว่าท่านเราทรงโอ ก, กาสในมิตรได้ดี อก็หานในมิชชั่นดีก็หมายถึงว่าเราเดินไปไหนนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่กินข้าวอ่านหนังสือฝ้าหนังสือเป็นๆ น, นึกอยากจะเห็นนิมินมาเห็น ท, ทันทีนั่งฟังเพลงดูละครวิทยุในโทรทัศน์ดูดีเกละครในส่วนมากเขา่าสุดกันตอนนั้นเหมืกันเวลาก็ามีรูเกละครมีภาพยนตร์พวกนี้เขชอบไปดู พอดูแล้วเขาไม่ดูภาพนั้นาะเามันนั่งนิ่งเพิภาพกต่สิ่งของเขานี่ก็เปิกิดขนาดนี้นะเป็นอนุวารีเจลละครภาพยนต์วันนั้นไม่รู้เรื่องจิตเข้าจักอยู่ที่สมาธิลิมิเทเขาตลอดเวลาแต่ว่าภาพยังเป็นภาพเดิมสมมุติเราดูสีดินสิมิตริยารุ่นให้สีดินก็คงอยู่ในสีนั่นตามเดิมอย่างนี้เรียกว่าอุกขะมินิต ตอนนี้เราก็เมื่อถึงแบบนี้แล้วมันจะต้องหักสรงเวลาด้วยไอ้การสรงเวลาเนี่ยหักไปตั้งแต่ต้นนะเวลาเราได้ฌานจริงๆมันจะได้สรงได้นานการทรงเวลาระยะต้นเนี่ยทีแรกเราส่งไวในน้อยสักสิบนาทีห้านาทีถ้ามันส่งไว้ตอนนี้ได้ดีแล้วก็มันยังไม่ถอนนี่ก็ปล่อยมันไปตั้งอีกหน่อยหนึ่งเป็นนั้นว่าต่อต่อไปเราทรงนิมิตทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้ฌาน เมื่เราส่งอกาส น, นิมิตเราคิดว่านี่หนึ่งชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงเราจะส่ง น, นิมิตอยู่พ่าจิตหลับตาอยู่ก็ตามลืมตาอยู่ก็ตามความจริงเขาบอกว่าหลับตานะ่แต่ว่านักปฏิบัติขั้นสําคัญเขาลืมตาด้วยฝึกลืมตาี่เวลาเดินเป็นหลับตาแนละ้วไปนชนหมาตายคก็ชนหมาตายแล้วชนหมามันตัดก็กตายละมีสองอย่างนะ่ ไม่ชนหมาหตายกับชนหมาหกัดเราตายนี่เวลาเดินไปมันหลับตาไม่ได้ต่อเรื่องเริ่มให้เห็นนี่มิตดโดยที่จับไม้ น, นี่เป็นเคหาริมิติแต่เวลาดูริเกลละครก็เหมือนกันเราซ้ อ, อมดูกันแต่ว่าดูแล้วไม่รู้เรื่องของรีกเกเห็นแตน่มิตอย่างเดียวอย่างนี้ น, นี่เ็นมิติขึ้นเป็นเอกสารนิมิตนี่มาถึงเอกสารนิมิติแล้วเราก็จะมนมคิดว่าดี โอ้ก็คำนิมิตนี่มันเป็นนิมิตเล็กๆหนึ่งแต่ว่ากับสิิงทรงใดดีอันนี้พู้ใช้ใช้สถาอาคมใช่อะไรตัวอะไรแล้วมาเขาเปนใช้พื้นฐานของเขาสิ่งเท้าไม่ใช้พื้นฐานของเขาสิ่งแล้วเอาดีใดอยากอันนี้ต่อมาแล้วก็ตรงนิมิตแบบนั้นน่ะแห้เขานั่งเห็นนอนเห็นยืนเห็นเดินเห็นอยู่ตลอดเวลาให้จิตมันทรงตั ว, อ, วอยู่ ขนาดใดที่เราจะเห็นอยู่ขนาดนั้นรียกว่านิวรณ์ไม่กวนใจเราในเมื่อ น, นิวรณ์มันไม่กวนใจแล้วก็จิตมันก็เป็นสมาธิต่อไปก็สินจะเปลี่ยนสีจากบินจะขยับสีดินแปลกออกไปอาจจะกลายเป็นสีเหลืองไม่หน้อยหรือขาวขึ้นมาหน่อย ถ้าว่าอารมณ์อารมณ์เห็นกับภาพมันเป็นแบบนี้ก็จงอย่าคิดว่ามันไม่ดีนั่นมันเริ่มดีขึ้นพัของอันเดียวกันแหะมันเปลี่ยนมันเริ่มเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเหลืองก็ได้สีเหลืองอ่อนๆแล้วมันเป็นสีขาวในน้อยปลากรนมามันจะเป็นอะไรก็ช่างเราอย่าไปฝืนจิตให้มันทรงเป็นสีเหลมนี่เราพูดกันเฉพาะในมิจฉาสินนะ ไม่แยกภาพอื่นเข้ามาแสดกเอาอีจุดนี้มิตจุดเดียวภาพอื่นในภาพเซวดาภาพริมานภาพพระภาพอะไรก็มาก็ตามใครจะไปเจียตื อ, อประเด็นขาดต้องทิ้งให้หมดนี่แหละภาพนั้นเปลี่ยนสีขึ้นมาในน้อยก็ช่างปล่อยเราจับภาพไว้ถ้ามันเริ่มเปลี่ยนสีมันก็จะเปลี่ยนในเนื่อ้นไปจนกระทั่งสีดินแดงแดงๆไปเสียเลยก็กลายเป็นสีขาวไปหมด เอก็กลายเป็นสีขาวไปหมดตอนนี้เราก็เพิงรู้ว่าจิตเราเริ่มเข้าสู่อุปจาระสมาธิแต่ยังเล็กอยู่เป็นสีขาวธรรมดานะสีขาวทั้งดวงเลยวงก็สินเชิงเห็นถแทนี่เป็นสีแดงสีน้ำเงิี่ต่อมาแล้วก็เพ่งแล้วอยู่แบบนั้นไม่มีอาการเปลี่ยนแสงอย่าใช้จิตไปสัวอารมณ์อื่นดใด ต่อมาสีขาวจะกลายขึ้นมาเชียระน้อยๆแย่เพิ่มมากันผ่องใสขึ้นแทนที่แยาขาวเป็นผ้าขาวมันจะกลายเป็นแก้วสีใสขึ้นอันนี้ค่อยๆใสขึ้นเชียร์นิดๆนิดๆคืว่าตาจะจากขอกเข้ามาแล้ว อ, อาจจะเนื่องหนาลงไปหาแท่งทึกเพราะมันใสขึ้นมาเต็มที่ตอนนี้จะว่าเป็น อุปจาระสมาธิอันดับกลางแต่ว่าท่านในมิตตอนนี้เขาเรียกเขาว่าปฏิภาคใิมิตตั้งแต่สีดินกลายเป็นสีขาวหมดจัดว่าเป็นปฏิภาคในมิตแต่ต้องสังเกตสีถ้าสีขาวธรรมดามันผ า, ากขาวหรือสีขาวแล้วมาทาขึ้นอันนี้จัดว่าเป็นเป็นปฏิภาคในมิตเล็กจัดเป็นอุปจาระสมาธิต่ํา พอกลายเป็นสีใสคล้ายแกย้วเมืแก้วใสอันนี้เป็นปฏิภาคขนิตใหญ่จัดว่าเป็นอุปการแะสมาธิคำว่าปฏิภาคอนาดใหญ่มันยันถึงชานอันนี้ในขณนะนั้นที่ขณะที่จิตเป็นปฏิภาคในมิตเราสา ม, มารถจะทรงสีได้ดีเห็นภาพก็ะสินนาะทึกเป็นแก้วแรวป็นร่ากายเนี่ย รู้สึกว่าได้คลายแก้วใสแจ่มมีร่างกายดีตรงนี้ถ้าเราจะแยกเข้าไปเล่นวิชาสามนี่แต่ผมไม่แนะนําคุณนะไม่จะโย่ให้คุณเล่นวิชาสามถ้าเราจะแยกเข้าใช้วิชาสามเข้าแยกกันตรงนี้จับภาพมีมิตรให้ตรงอยู่ทรงอยู่เห็นภาพมีมิตรใสแค่ไหน แล้วก็ต้องสร้างตั้งใจกลับจิตเมื่อเวลานี้เราต้องการเห็นสวนรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระจุลามณีที่ผมไม่จํากัดที่ให้คุณนะคุณอยากจเจ็นอะไรก็ได้แต่ต้องเฉพาะจุดแล้วผมอยาเห็นสวรรค์จ้ะขอภาพนี้จนหายไปภาพสวรรค์ยมปรากฏมันเต็มมัตรานมาเลยสวรรค์มันมีวิมานกี่หลังที่หลังมันก็ยันป้ายหมดจะดูไม่รู้อะไรตรงไหน ต้องหาจุดเฉพาะขวาไว้วันนี้ฉันต้องการเห็นเฉพาะจุฬามนีและบรรดาคำพลศิลาอาจและเวธยรมศาสตร์หรือว่าถ้าเรามีบุญบารมีที่มายของเราอยู่ที่ไหนขอภาพกระสินยันหายไปขอภาพนิริมานจงรากฏมันจะปรากฏแทนให้ระวังให้ดีที่ตอนปรากฏเนี้ยเราเห็นภาพนี้นิชัดแค่ไหนเราก็อยเอริมานชัดเท่านั้นเหมือนกัน อะไรตอนนี้ขยับเทปเลยนะนะเดี๋อันนี้หมายถึงว่าเราต้องการจะได้นิชาถามไปที่จุคุยานนะแต่หากว่าคุณจะเล่นที่จุคุยา น, น้วก็คุณอย่าไปที่ทยงในมิตเทสต้องทำกติณให้ดีขึ้นเป็นลำดับนี่แนะนํามาเองเรื่องขอกล่าวแต่ว่าความจริงนักที่จุคุยานเนี่ยถ้าหากว่าเขาทาอย่างคล่อง มันเราแล้วเราก็เพ่งภาพเราเห็นไม่ได้เ ล, เลยเวลาต้องการจะเห็นอะไรมันเห็นทันทีอันนี้อยากจะเห็นอย่างน้นอยากจะเห็นอย่างนี้มันปรากฏเลยแต่ว่าต้องเชื่ออารมณ์แรกภาพทเห็นครั้งแรกต้องเชื่อถ้าเราไปคิดว่าอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นี่ควรจะเป็นอย่างนู้นอันนี้เสร็้คุปาทานกินเ้าเราวันนี้เราสอนนึ่งเราสินยังไม่สอนวิชาสาม แนะนำไว้ว่าหากว่าจะใช้ทิทธิภายนเขาแยกตรงนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ทิ้งกสิณต้องทํำกสิณให้ดีขึ้นตอนนี้เมื่อเราได้อุกขหาคดิมิตนี่ เ, เรียกว่าปฏิภาคคดิมิตนะแต่อุปจาสมาธิเป็นอุปจาระสมาธิตอนนี้เราไว้กับตรงกสิณทเราได้ยเป็นว่าอุปจาระสมาธิแล้วก็กเขากาว่าทังเกตดูว่าตอนนี้เรามีอารมณ์ใจชุ่มชื้น มีความเ e อิบอิ I ่มมันขยันคุณต้องระวังให้ดีเนะอีตรงขยันนี่บ้ากันดีที่สุดเพราะอะไร้าพตสิงก็แจ่มใสนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่กินอยู่เพ้าะยืนอยู่ก็ตามเห็นแจ่มใสผ่องใสจิตใจเ e อิบอิ I ่มนั่งเท่าไรมันก็ไม่อยากหลับ นั่งทรไรมันก็ไม่อยากเมื่ อ, อยอีตรงนี้ระวังต้องระวังให้หลักวิชาทางโลกสรีรวทยาสรีระศาสตอายุรเวทนั่นก็คือจงคิดว่าร่างกายของเราต้องการพักผ่อนยาทรมานมันไอ้จุดความเพิดเพลินเนี่ยคุณมันเป็นทุกคนนะแม้แต่ผมเองผมก็เป็นเพืเ่อนๆกันในสมัยนั่นที่เข้าถึงจุดนี้มันก็เป็นทุกคน แล้วนี่ก็ไปถามพระาจารย์ต่างๆว่าสมักอื่นๆเขาเป็นไหมเขาเป็นเหมือนกันเป็นเพราะอะไรเพราะวันเป็นของใหม่อารมณ์ใจเราชุ่มชืน่นดวงก็สิน้นแจ่มใสความส บ, บายใจเกิดเกว่าปีติขึ้นเต็ม ท, ที่เที่ยวอันดับของสุขเนี่ยไอตัวอุปจาระสมาธิเนี่ยมันไปชนกนับตรงสุข พอเข้าถึงสุขของสมาธิแล้วไอ้คำว่ า, าสุขเนี่ยมันไม่มีทุกข์นี่คุณต้องเข้าใจตรงนี้ดีให้ตัวสุขเข้าถึงแล้วมันไม่มีทุกข์พอไม่มีทุกข์มันก็มีแต่สุขให้คุณนั่งไปยี่สิบชั่วโมงมันก็มีแต่สุขตัวปวดตัวเมื่อยตัวอะไรตัวอะไรมันไม่มีจริงจริงอีนี่สิผมเคยงางขาไม่ออกไหลหน ง้างไปง้างมาง้างมาบรรลนมเตียงพุ่งขาเหยียดพอดีหลายครั้งนะเล่นไปก็ไม่ได้ตั้งเวลาความจริงสมาธิขันตอนนี้เราต้องตั้งเวลานะแต่เราจะตั้งเวลาเนี่ยไม่ต้องตั้งใ น, ในกาปลกกําหนดไว้ว่าเราจะทรงอยู่หนึ่งชั่วโมงหนระือสองชั่วโมงเอาแค่พอดีพอดีอย่าให้มันหนักนะพอถึงเวลานั้นปั๊บ มีมิจฉามันจะหายปุ๊บทันทีเลยจิตตกสมาธิเข้าไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ตรงเลิกทั้งนี้เพราะว่าเราก็ต้องเอาใจร่างกายเหมือนกันถ้าเราทรมานแบบนั้นต่อไปประศาทมันจะเสียเพ ร, ะพระาะวาศาสตรเสียแล้วเป็นไงหรอเออดงกินมันนอนไม่ได้นอนมันก็ชักจะไม่กินนะ่ะสิอาการเสื่ของประสาสตร์เป็นกบฏที่ตรงนี้แหละคุณภาพหลอนมาแล้วเริ่มบาด ถ้าไม่บ้าเพราะโรคประสาทก็บ้าเพราะภาพหลอนอันนี้ต้องระวังให้ดีนี่มันเป็นเรื่องจริงจริงมีคนแนะวิธีบ้าให้ทั้งคุณยินท์ท่าไงแต่อย่าไปใช้นะแนะวิธีบ้าให้แต่ข้ามเอาไปใช้ให้หลบเถะเพราะรมันดีแล้วก็ตรงเวลาพอสมควรแต่มันไม่อยากเลิกเลยคุณมันไม่อยากเลิกจริงๆริงันทีเผลอปั๊บไม่ได้ตั้งเวลา ปรเดียวเดียวเ่นั้นดันสะโละตีสองนี่ไอตีสองจากหนึ่งทุ่มเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับ เ, เรานั่งไม่ถึงครึ่งนะไม่ถึงห้านาทีนี่มันเป็นได้อย่างนี้มันสุขจริงๆนี่คณต้องเราฟังต้องหลบมันนะตอนนี้เมื่อปฏิภาคให้ไม่ขึ้นเป็นใบกายเส้นชัดเป็นแพรวพรำสวยมากก็ดูอารมณ์เข้าถึงวรตถุไมชนัน มันใกล้กันนิดเดียวอารมณ์จิตจะเข้าถึงมัตถมัณฑ์วัตถุมัณฑ์เราก็เรียกกันว่าปฏิภาคษนิมิตชาญที่สองที่สามที่สี่เราก็เรียกกันว่าปฏิภาคษนิมิตก็เข้าถึงตอนนี้ตั้งแต่อุปจาระสมาธิถึงมัตถมัณฑ์เนี่ยอาการที่เราจะเป็นรู้มันยังได้ยินเสียงชัดใครก็ลองลทําทํารำลองราทําเพลงอะไรก็ตามแล้ ร, รู้หมดไม่ใช่ไม่รู้แต่มันไม่สำคัญในเสียง ไม่ใช่ว่าสมาธิตัวนี้ทําห้หลับไอ้หลับตื่นนั่นไม่ใช่แล้วไม่ใช่สมาธิแล้วฮึมคุณจะดินจะมาหลับแล้วเฮ้ดีไ ม, ดไม่ดีฝันแค่ฝันก็ยังดีดันเครอกก็เด้อใ <c oughs> นี่ <c oughs> ต้องจําให้ดีนะ <c oughs> ยังไงยังไงอย่าเข้าทางในเรงครอะห์ไปเขาจะจับได้ใช่ใครเคยเข้าทางครอกห์ของเขาอะ <c oughs> นี่ไอ้เ <c oughs> จ้าคุณอะไรเมัดเขาได้ตรง ที่ก็มาเป็นวุณนาสร้างวัดจำนวนวัดประสมคงคามา้าไปใช้งดิตาคลีให้บ้านนายเขาบ้านปลูกใหม่ซื้อที่ใหม่พอใช้ข้าวเสร็จแล้วก็นั่งอยูงที่สีเเ่เขาไปเมื่อคนนี่เขนั่งสนก็มีพระโอสถก็คงบอกใครจะใครก็รองมานี่พอจะของบ้านเขาบอกว่าหลวงพ่อเจ้าค่ะบ้านนี้ก็ซื้อใหม่ที่ดินก็ซื้อใหม่บ้านนี้จะดีไหม พ่อเทวดาวก็เข้าฌานพับมือพัดตอนข้อแบบมาฌานปรเดี๋ยวเดี๋ยวคอห้อยมาแล้วที่ครอกกครอกมันล่อเขั้งขอเดียวมงมันไม่ยังไม่ได้ยฐ า, านที่เราไปไหนได้มาแล้วเอ้เออะไรอยับเดี๋ยวพอรู้ตัวตืวต่นมามีดีดียบดีแหมบ้านนี้ดีจริงๆเราก็เลยปากขันบอกว่ามันต้องดีที่พ่อเทวดาลงเข้าฌานนึงครอกก็มาดีทั้งนั้นแหละ <laughs> แล้หันมายินยินให้นั่เข้าฌานยันครอขึ้นไม่ได้วันนี้เราก็มาสังเกตอารมณ์นะอารมณ์ของเราถ้ า, าว่าเราจับภาพเกิดนนั่งเราดีย็นเดินก็าตางเห็นวินัยบายก็ตามคนต้องใช้ตลอดเวลานะคุณอย่าไปทิ้งสิแต่ว่าข้อสําคัญมีว่าถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยจงรักษาเวลาเฉพาะถ้าเกิดเห็นดีแล้วมันจะเกิดไม่หลับถ้าเราเดินไปนี่ไม่เป็นไรตลอดการ นั่งอยู่นี่นั่งอยู่นั่งเล่นอะไรเงี้ยถ้าไม่สทรงตลอดกาลคุยกับเพื่อนนึงก็สามารถจะนึก อ, อะไรเองท่ากระสิน ท, ท, ท, ทันทีใช่ไหมแล้วถามจักโกหกเพื่อนโดยเดียนะได้อยู่นะไอเนี่จักโกหกดีที่สุดเลคนคนใต้ตั้งแต่ อ, อกเรียกว่าตั้งแบบปฏิภาครในมิตรขึ้นไปนะหมายถึงอุปจารสมาธิแ ล, ล้วฝึกทิพยุขยานได้โดยมันฝึกทิพยุขยานฝึกง่ายคนที่เรียนกระสินมันแมพเดียว โอ้รวยแล้วเคุยๆนี่ก็คุยมาเรื่องตรงนั้นดีตรงนี้ดีแล้วก็มันคุยอย่างั้นเจับภาพกิสิ่นี้มาเลยแล้วอธิษฐานจิตประจุท่านเป็นไงไอภาพนั้นจะปรากฏถ้าไม่ก็กหกก็จับได้แหน่ได้คุยกับบรรลงเดชแล้วไม่ไปขัดคอมเอาเท่าไหร่ลายเต็มทีแล้วมีแบบนี้คุยฟุ้งฟุ้งฟ้งว่าไปพอสุดเรรู้แหมอนีโนี้ อะไรนี้กว่านี้คุณก็คนโกหกคนโกหกจะสบายถ้าไม่ถือไม่สาระใช่ไหมคุยง่ายคุยไฟรมัยากไม่เลยนี่จกกับโกห ก, หกได้ดีมากอันนี้ถ้าจิตเราหูร ด, ดีินเสียงได้ทรงภาพเกิดเสียงได้ดีอันนี้เป็นปฐมฌานตอนนี้พอเข้าถึงพุทธยฌานเราสังเกตเสียงเบาลงลมให้ใจมันผ่อน คำภาวนาว่าปัทวีกสินังหายนี่หมายความภาวนาด้วยนะต้องภาวนาด้วยมันจะได้เปรี้ยวเจีวภาวนาว่าปัทวีกสินังไม่หายหยุดมีจิตหยุดแต่ภาพกระสินใสสิ้นกว่าลมหาใจน้อยลงสมาธิทรงดีกว่าอันนี้เป็นฌานที่สองดงกระสิ น, นสยิ่งสวยขึ้นอันนี้ลมหายใจผ่อนแต่ยังรู้สึก ยัรู้สึกชัดนี่พอเข้าถึงฌานที 3, ่สามดวงก็สิญญะศสสวยบริสุนธระกอกายมากถ้าลมห้ใจเบาที่สุดรู้สึกจะเบเบามากโอ้ยด้ยินเสียงท้งามออกแว่วๆนิดๆ น, นี่พอมาถึงฌานที 4, ่สี่ดวงก็สิญญาศามากแต่ถ้ว่าไม่ปรากฏลมหายใจเราออกอิตตั้งมันโดยเฉพาะไม่สอดใายไปสู่อารมณ์ แล้วก็นม่อะไรโูไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยโอน่นะไม่อพพรมาอยู่ใกล้คนใหญ่งใกล้ก็ไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินจริงๆผมเคยลองเครื่องย้ายเสียงเวลาไปเที่ยให้เสียเสียงตามว่าต่างๆนี่มันยากการเสียจริงๆปเปิดแพลงอะไรจะเพลงอะไรก็ไม่รู้ ปาดปาดนี่เขาจะคุยเคยก็ไม่ได้ให้เราจะเทศอีกพักไหนเราจะเทศแสงข้าวเคยะมันตกตะเบนอยู่นั่นเ้งทำยังไงเราจะพักก่อนนอนนอนจับข้าวกรสินจับอารมณ์เดียวเดียวคนเสียงหายแต่ความจริงมันไม่ได้เสียเรื่องหแล้วมันหายยากเสียงเสียงหายไปเลยสบายไมาดีแต่มันก็ไม่หลับอารมณ์มันรงดี พอล้วพอเรากลับตัวจะทาการรู้สึกเอาลอะก่อท่านี้เสียงมันดังตามเดิม น, นี่แปกกายคนชันสีนี่ก็สิงกองใดกองหนึ่งก็ตามถ้าเท่าเร่งชังสีแล้วต้องเล่นเรื่องสิงกองน้ำให้ช่ําเลยอย่ารียบย้ายไปสู่กองอื่นเพราะว่าแต่คุณย้ายไปสู่กองอื่นนั่นคุณจะเสียดายน่าเป็นที่น่าเสียดายมากเพราะน่าเสียใจด้วย <c oughs> ทังนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นกองกองต้นให้ช่ําแล้วกับมันเสื่อมงา่ายเราต้องทรงให้ดีเล่นเมื่อนึกทับเห็นภาพเห็นนึกทับเห็นภาพในมิตทันทีเวลากินเวลานอ น, น, อนเวลาเดินวิ่งอยู่เขาวิ่งอยู่เนื่ยๆพราก็นึกกจับภาพเห็นภาพมันเกิดทันทีนี่อย่างนี้จริงๆใช่ได้เล่นจิตสิเนี่ยต้องเล้เห็นจริงๆแล้วเล่นทำไมเป็นการทรงสมาธิ เนี่สำหรับกระสินแต่ละกองย่อมมีฤทธิ์แตไม่เสมอกันมีฤทธิ์ต่างกันเนี่ยเราลองย่องเล่นกโ ก, โกส้สัหน่อยก็อนนะเพื่อจะเล่นสมาบัติระยะกิจญาสมาบัติกรเพื่อนนะถ้าเราสามารถทรงในมิจฉาสินได้ถึงชานสีเอาให้คล่องนี่เพิ่มไปเล่นอย่างอื่นเล็ดพับชานสี่ือ็ดพับชานสี่เราทรงได้าการเวลา นี่เพาะปะวีกับสินนี่สามารถทําของอ่อนให้แข็งได้เพราะปะวีเป็นดินเป็นทาตแข็งปะทวีกับสินถ้าเราจะเข้าถึงจริงๆนี่ยังไม่ถึงจะรู้ว่าเราเก่งจริงหรือยังแั่สินนี่เต็มภาคผมหรีย่ยังลองเลยถ้าลองแล้วถ้ามันยังไม่เป็นผลก็จะไปเสียใจมันจะทำให้ใจว่างมันแหละเราเนี่ยยังไม่เป็นผลล้วก็เคลื่อนต่อไปมันเข้าถึงผล ไม่มีทีลองลองยังไงเอาน้ำมาแก้วจับนิมิตให้สบายใจให้ถึงชานสีแล้วถอยหลังมาลืมตาดูน้ำอธิษฐานนัดคนน้ำในถ้วยนี้จงแข็งเหมือนบินแล้วก็เข้าชานสีันใจสบายลืมตามาตั้งไว้อุปจารสมาธิเพราะว่าตั้งมาทรงสมาธิอยู่รอมมือจิ้งดู ถ้ายังอ่อนใช้ไม่ได้ถ้าสิ้นตรงนี้ยังไม่เต็มที่ท่านี้หากว่าเจ้าก็ต่างดิถานใหม่ว่าค อ, อ น, น, นั้นไม่จงแข็งเหมือนมิแล้วเหมือนถึงก็ตามห<ม>ลับตาทรงสมาธิเต็มที่ดิฉั น, นสีดิฉันสมาธิดิฉันสีเ้าที่ษฐานแค่นั้นนะ่ะเวลาที่หลับตาทรงสมาธิเขาไม่ได้เป็นนั่งไม่ขน้ําแข็งนะเป็นนั่งไม่น้ำแข็งชนะ้ า, างคนหล่นต๋องหลือได้ผุนไหมครับคุอผู เาที่ฐานตอนก่อนจะเข้าฌานเทนั้นเวลาทรงฌานก็ทรงอารมณ์ปกติถ้าเรื่เวลาทรงฌานไปนึกด้วยมันก็ไม่เป็นฌานแล้วือ hmm? นี่อะไรเ hmm. ขาไม่รู้มันไม่เยี่ยฌานไม่เยี่ยชิญล่ะใช่ไม่ได้จิตไม่อยู่ตรง น, นี้แหละเขาลืมตา ม, มาอำนิ้วจี้มัฟลมไปแข็งใช้ได้ ถ้าจะย่องไปเดลองเดินน้ำนะพี่ล่อแบบผมนี่เลยนะล่อโซมไปขนาดนนะลองมาที่เมืองใดถ้ทาทําเล่นน้ํำในแก้วให้มันชินให้เรามันชินจริงๆแต่ว่าเวลาไปลองเดินน้ําอยจะให้ใครเขาเห็นนะเขาจะได้จา้าจงกลายเป็นโภอน์ลองๆดูให้พวกคุณท่านยังไม่ห้ามแต่ผมนี่ห้ามแล้วไม่หวะคนยังไม่ถูกขัง แต่ว่าสมมี่ห้ามจริงๆกันหมายว่าถ้าทำริดให้ใครเขาเห็นนี่ปรับเป็นโทษไม่ได้นะอันนี้เด็กขาดใครจะมาจ้างมาวานจะมาว่าแม้ท่านในฉันใส่บาตรแล้วแต่นั้นให้เงินมาเท่านี้เราอย่ายอมเป็นพาดกับราษารนะอย่าทำให้ดูเด็กขาดเอาไว้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหรือเป็นประโยชน์มาถึงความําเป็น เนีนถ้าจะลองเดินนำก็ไปถึงปั๊บถ้านำเข้าชา้านิจกุติก่อนเวลาเดินไอ้เข้าช้านี่ยเวลาที่เราจงกรมแล้วเดินอยู่ให้มันเป็นชานสีเวลาเราล่องแต่ว่าเวลาบินาบาบเป็นชานสีไม่ไหนเนี่นบิดาบาบต้องทรงได้แค่อุปจารสมาธิหรือปสมฌานหรือทุติยฌานคือท่านดีสบายเห็นภาพตลอดเวลาภาพตั้งไว้ในใจก็อยู่ในอกเองดี นี่เราหัดทรงชันเวลาเดินจงกรมทรงเหมือนชานสีเลยมี่เขาเล่นกันแบบนี้เอาจริงๆมันไม่ยากเขาเล่นงาน่ายถ้ายากถ้าเข้าถึงถ้าจุดเดียวมันง่ายจริงๆคนเหมือนกับเราอ่านหนัสือทเลสือมันทรงในชานสีจริงๆก็เดินไปผ่าน้ําไปถึงปั๊บจิตคอยจิตมาหน่อยอธิษฐานว่าขอนน้ําที่เขาจะเหยียบลงไปนี่จงแข็งเหมือนหิน จะไปว่าน้ำทังคลองในมิถหัวแบบผ ม, มใช้ไม่ได้ขวางการยราจนครใช่ไหมจิตระเบยบที่เราก็เขาแย่ลงไปแหย่ก็ถอนมาจิตมาเที่อุปจารสมาธิเข้าชางสีอธิษฐานแล้วต้องเข้าชางสีจิตสบายลองเหยียบดูถ้ามันแข็งพขาเทรงจิตไปจนตอนแบบนั้นเลยเดินแค่ไหนก็ไปได้ถ้าอย่าไปทำ บางเอิญเดินไปเดินมาเป็นนักขี่หนูบ้านไหนก็โตมไม่ถ่อวนะเนี่ยมันต้องกรงอยู่แในท่อในสมาธิหนะ่<ม>อย่าไป่ชิดเดินเข้าไม่ได้เลยจะเค่กินแน่อือ<ม>ตอนนี้ถ้าหากว่าเราส่งเล่นน้ำให้มันชิน่นเลอยาให้เขาเห็นนะต้องดึกดึกแล้วต้องระวังอะนรที่ตรงชาแนลมันไม่ได้คือรื่องอะไรนี่เราลองเดินเล่นมาอากาศหน่อยดิ เจ้าิษานว่าขออากาศที่เข้ามายากเจ้าเหยียบไปเนี่ยจงแข็งมันยินนี่ปทวีตสินมันหิอนี่ตอนนี้เจนเลเดินสบายเดินไปเดินมาจะไปเจอไอ้บ้านที่มีถู ก, กันไอ้บัตนหานี่ขี่รถถึงก็เดี๋ยวล่นปุ๊ไคนไม่ต้องหัไม่ได้เจ้าจิตเร็วจะไม่ได้นะนี่ต้องระวังให้ดีเรียกว่าไอ้นี่แนะวิธีไว้เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะไปดูถูกดูหมิ่นกันไม่ได้ ไอเรื่องความดีที่สั่งสมไม่ได้าติก่อนเนี่ยใครจะรู้ว่าใครถึงไหนถ้าบา ร, รมีเราสร้างได้ในชาตินี้เนี่ยแล้วเกิดเป็นคนนันก็มีบา ร, รมีอยู่แล้วเรามาบวชในพระพุทธศาสนาเราก็มีบา ร, รมีอยู่แล้วนอกจากเราจะรับบา ร, รมีของเราไปแลกนารกเท่านั้นนะไอที่เข้ามาบวชเนี่ยเอาบา ร, รมีเดิมมาซื้อนรกไปเยอะแย ที่เรามีบารมีพิเศษอย่งองอางหนึ่งอารูว่าสานักนี้เขาจะเรียนปฐมภูมิเต็มใจมาอยู่สํานักนี้ว่าสํานักอื่นเขาก็เหมือนกันนะไม่ใช่แต่สมนักของเราไม่พูดไปเฉพาะจิตพวกเราโดยไม่มีใครเข้าแนะนําชักโจูงมันตั้ง ใ, ใจอยากจะทำแล้วเข้ามาในเขตแล้วก็ทำจริงไม่ใช่ปล่อยอารมณ์ถ้าหาว่าทําเล่นลมนรกเอาบารมีเก่าแลงมาลบเรื่องธรรมฐานไร้ายกาศมาก ต้องรักษาจริยาภายในและภายนอกให้ดีจิตนี่ต้องบริสุทธิ์หมดเลยต้องสมาธิให้เร็วนีบอลห้าปริกายนี้เข้ามาโยงนี่เป็นนอ้ขอสิ่งรัสิ่ที่หนึ่งแล้าสิ่งที่หนึ่งถ้าเราได้จริงๆเลยคุณเจรินไปบ้านคุณไม่ต้องซื้อรถหรอกแต่มันเหาะไม่ได้แต่เดินมฆ อ, อากาศได้เห็นย่างกเลยนี่เพราะรับมันส่งเลยไม่มีอะไรขวางแล้กวก็ถึง ใช่ไหมสต่อนี้เขาไม่เรียกเหานะไปช้าไปแบบคนเดินถอาถึงมันนาขวางหน้าก็อมองหน้ามองหลังมีใครเปล่าไม่มีใครแน่คนเดินข้ามส่งไอ้หลวงพ่อไปยังนี่ทเคยเดินข้ามโดนพวกจับได้ให้พวกมันซุ่งอยู่ในป่าในไป่ะมองซ้ายมองขวามองขวามองซ้ายไม่มีใครเดินข้ามส่ง เ้าลงเรือสองวันในพวกมาทลวงพ่อกัดมันซื้นเองพ่อเดินข้ามน้ำมันเฮ้ยตามึงฝาดไปอะคุจะขาบไหมจริงท่านไม่มีเรือรับไม่ใช่อ่ะเองตาฟาดไปะถ้ามันเธอหาเรือข้ามันให้เดินข้ามันหรือเสียท่าอรอหลายคนเหมือนกันมันนั่งบนฮะไม่ไม่ไม่ปรับแล้วคิดว่าไม่มีใครอยู่แล้วไม่ได้ทําโอดใช่ไหม คือไม่ได้ทำโอทเพราะท่านห้ามอิเลมทำโอดเท่านั้นให้เขาคิดว่าเด่นคิดว่าดีแต่พราอรหันยเนี่ย ป, ปรับโทษเลยนะเจ้า ว, ว่าแต่พระขนอรหัน์เนี่ยลงใบเาหาะเอาเห็นเขาปรับอ่ะเจ้งเลยปรับแต่ว่าไม่ลงนรกกแบบถูกขนาบปิดมัวนวเป็นมัขนาดหนึ่งตอนนี้เรามาพูดกันถึงสมถะนี่เราข้อจบก็ถึงไอ้ก็ถินเนี่ยมีมท่านี้บน ผมแล้วก็วันพรุ่งนี้มันเป็นวันบ้างเป็นวันพุธใช่ไหมคือวันพุธพรุนี้วันนั้นถ้าอะไรจะไปด้วยเดี๋ยววะตอนนี้ใครจะไป ไ, ไปเราก็ไปนะเขาเตรีดดยมนะตัวไว้นะตอนนี้มาใช้กสินเป็นมิจนาญาณคุณ่าลืมนะว่าสมถะ ท, ทุกกองเนี่ยเราต้องใช้เป็นมิสนาญาณได้เลยไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่เวลาเราตั้งนี้มิขึ้น แล้วคุณต้องจำไว้นะกระสินทุกกองต่อไปเขาจะไม่พูดทังนี้ปรัชนาเขายู่ชีเวลาใช้เมีอารมณ์เหมือนกันตั้งกระสินขึ้นมาเป็นปฏิภาคภายในนี้ให้เมีอารมณ์แจ่มใสแล้วก็เพ่งกระสินไปพอเพ่งกระสินไม่แล้วพับถอยหลังจิตมาสู่อารมณ์เดิมถ้าดูใหม่ภาพกระสินนี้จะหาย เพราะจิตไม่ตั้ง่ในสมาธิมันก็หาย <c oughs> ตอนนี้ถ้ามันหายเวลาจิตล้วก็คิดว่าชีวิตของเราก็เหมือนกันแค่นี้เหมือนก็ภาพกสิร์นี่เกินมันเอาอะไรอจิรังยั่งยืนไม่ได้มีภาพยสิรนี่เวลาจิตที่เราดีเราทรงไวใได้ดีนี่ภาพแจ่มใสแต่พอจิตมีอารมณ์ลคลายนิดเดียวมันก็เคลื่อนไป มันจะเครื่อนเพราเราเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามให้เทียบกับชีวิตของเราชีวิตของเรานี่ก็หาความจริงจังอะไรไม่ได้ความเกิดเป็นทุกข์ความเกิดเป็นโทษความเกิดของเราก็เหมือนกับภาพกระสินเกิดแล้วก็หายไปเมื่อการเกิดนี่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลําบากกาย ม, มีการถูกทรมานอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของเรามีไม่มีค่าไม่ต่างกับภาพกระสิน คือสัจว่าเป็นชีวิตกันของตัวอยู่เะนั้นเราจะไม่ยอมเห็นวัตถาภาพร่างกายมีค่าสูงเกินกว่าพรนิพพานเพราะว่าเรายังมัวเมาอยู่ในร่างกายก็ดีมัวเมาในทรัพย์สิน ก, ก็ดีมัวเมาในศักสีก็ดีแล้วก็ชื่อว่าเป็นทาดของทีเรตันหาุฟาทานและกุณกรรมนี่เวลานี้ที่เรามาพุทธสิน ก็เพราะว่าเราเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอุปาทานนะกสุนันท์กิเลสแปล ว, ว่าความเศร้าหมองจิตไอความเศร้าหมองจิตมันอยู่ตรงไหนเวลาไหนท่าอารมณ์ของเราไม่ดีเวลานั้นแหละอาการของความเศร้าหมองจิตเ อ, อารมณ์ไม่ดีเพราะความโกรธอารมณ์ไม่ดีเพราะภาดหวังจะความรัก อารมณ์ไม่ดีเพราะของที่รักสูญเสียไปหรือคนที่รักสูญเสียไปอารมณ์ไม่ดีเพราะร่างกายเจ็บป่วยปวยไข้ไม่สบายที่ความหิวเป็นต้นอันนี้ก็ชื่อว่ามันไม่ดีเท่านั้นอารมณ์ไม่ปกติเนียอาการที่อารมณ์ไม่ดีแบบนี้ก็ท่านเรียกกันว่าความเศร้าหมองคือกิเลสนี่ที่เราเกิดมานี่มันหาความดีไม่ได้แม้แต่อารมณ์ก็ไม่รงตัว อันหาความพยายามอยากเราอยากได้อย่างโน้นอยากได้อย่างนี้อยากนั่อ ย, อยางนั้นแต่สิ่งที่เราจะกว่าจะได้มาก็เต็มบรดความลำบากต้องใช้วิทยาอุตสาหะความพยายามต่อสู้ส ก, กับสัตว์พฤติกรรมทั้งพวกแต่ถ้านได้มาแล้วก็ไม่มีอะไรจะดังยั่งยืยนท้าวบอลไอ้ของที่ได้มาใหม่มันก็เก่าถ้าต่อมันก็จะหลายตัว สีที่สวยบ้ามาแล้วไม่ช้านานมันก็เศร้ามอกแล้วมันก็สลายตัวอารมณ์แห่งความดีที่เราได้มาเพราะวัตถุหรืออารมณ์ใดก็ตามมันมีความผ่องใสของจิตแต่ไม่นานนะักอารมณ์นี้ก็สลายตัวไปนี่หาความจริงอะไรไม่ได้เลยสำหรับความเกิดนี่พกะกสิณ น, นี่ตรงนันกันนี่เรามาเล่นกสิแเ้วมาฝึกกสิณเพื่องจิตเพสมาธิ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเชื่อกับพระเจ้าว่าใครโซสมาธิจิตในขนาดนี้แล้วแล้วก็หันเข้าวางร่างกายคือขันห้างเห็นไหมรูปเวทนาสัญญาสั้งขันิน ญ, ญาณนี้ไม่ใ ช, เใ ช, เใชเ่เราไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราทั้งนี้ก็เพราะามันเืิแก่จิตพล้ก็ตายถ้ามันเป็นเราจริงมันเป็นของเราจริงมันก็ต้องดทรงอยู่ นี่สมเด็จพระบรมโคศ ส, สอนเราไว้อย่างนี้มันก็เป็นความจริงคนที่เขาเกิดก่อนเราตายให้เราเห็นนับไม่ถว้วนก็แต่ให้เราเห็นนับไม่ถว้วนคนเกิดมาที่หลังเราตายก่อนเราจก็ยังมีเป็นอันว่าขึ้นชืี้ว่าชีวิตนี้หาความทีจรังย่างยืนไม่ได้ประกอบไปด้วยความทุกข์ น, นี่ภาพประทินนี้เราถือว่าเป็นโคสําหรับเรา ขนาดใดที่เราตั้งอารมณ์เป็นสมาธิสมาธิาธจิตมีอยู่ภาพกระสินก็ปรากฏเมื่อสมาธิหดตัวลงคือว่าถลายตัวลงโยกเสื่อมตัวลงภาพกระสินก็หายไปอันนี้ก็ได้แก่ชีวิตของเราขานาดใดที่อาหารคือสันตติการเสืบหนึ่งระหว่างชีวิตยังมีอยู่ตานั่นชีวิตก็ส่ง ต, ตัว ัคำว่าสันตติหมายความของเก่าหมดไปของใหม่แทนที่ได้แต่อาหารถ้าอาหารของเรากินแล้วเราไม่กินใหม่ร็เสร็จไี่กินแล้วก็ไปของเก่าเสื่อมไปเกิดความหิวร่องร่างกายต้องการใหม่กินอาหารใหม่ก็ไปมันเสื่เนื่องกันอยู่มันก็ส่งโซนได้ถ้าว่าของเก่าหมดไปของใหม่ไม่ปรากฏชั้นใดล้วก็สลายตัวเช่นเดียวกับผ้ากสะสี ภาพนี้หายไปถ้าเราไม่ตั้งสมัยมันก็ไม่ปรากฏมันก็สลายตัวไปข้อนี้นิว ม, มาชั้นใดร่างกายของเรากระชันนั้นจะนั่งขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นจุดใหญ่แค่ได้ความทุกข์เราไม่ต้องการนั่นเองจริงเราจริง ท, ที่เราต้องการนั่นก็คือนิพพานรักษาลมเจับนิพพานไม่โดยปกติถ้าจิตของท่านมีสมาธิทั้งทั้งด้านได้ฌานสี่นะ อันนี้อารมณ์ของมิปรสัส น, นาญาณถ้าที่ผมพูดเนี่ยมันไม่พอหรอกปัญญามันเกิดเองอย่างแจ่มชัดเห็นเรับแมการเกิดนี่ไม่ดีจริงๆทุกสิ่งไม่ดีหมดหาว่าเราจะลดเดียวเคียวขคตสักอะนิดหนึ่งขันเข้าไปในวิชาสามเพราะจริงเนี่ยพระสินี่เขาเป็นวิชาสำหรับอภิญาหกนะ ถ้าเราเล่นแค่มีชาสามนี่มันง่ายนิดเดียแค่คิดยกคุยานแลน้วมาโนอิทีิเป็นง่ายมากนี่เป็นอันว่าวันนี้เราพูดกันทั้งก็สินที่องค์สมเด็จพระพุทมีพระภาคจ่าสอนขอพระท่านจะมาให้ดีนะอยาวฟังแล้วก็ทิ้งไปถ้าฟังแล้วทิ้งไปท่านก็นึกถึงว่าชาตินี้ท่านมีวิสัยลงในโรถันไหเพราะของดีเราไม่เก็บ เราเก็บไปแต่ของชั่วเพื่ออารมณ์ที่คุณหมัวให้แต่ น, นิวรณ์ห่างอย่างนี้เป็นปัจจัยข้ อ, อาบายภูมิฟังไว้กับสินทุกบทต้องจําไว้แล้วก็รู้ไว้ว่านิมิตว่าสินอันนี้เป็นยังไงนีไม่ตของกัตวีกับสินจะเป็นสีเส้นดินสีอรุณแต่ว่านิมิตไปรวมกันหมดสินทุกอย่างไปรวมกันจริงๆคือสีประกายขึ้น เป็นสีขาวแล้วก็เป็นแก้วเป็นแก้วแล้วก็แผวเ้ล่าเป็นบทสัจตินี่ไม่เจสินทุกกองไปรวมหมุนกันหมดนี่เพรานั้นว่าวันนี้เราพูดนักสิโงห์โง่เาเด็๋ยวพระอรมัรกฏเขาข อ, อยุติกัรเพียงเท่านี้นะเพรเวลามันหมดาสําสหรับห้องนี้วันพฤหักสกันวันต่อไปเขาว่ากันมาใหม่สำหรับสะ น, น, นีนก้ากองน้ากูอยากจะว่ากันรวดเดียวหมดเลยได้มั้เวลาพอนะ ภาคการที่บายอะไรตอน ต, อน ต, อนต้นๆจะอธิบายเท่างนี้ต่อไปก็จะว่าถึงธากในีธาตุนี้นิสของกสิณแล้วก็เฉพาะอย่างยิ่งก็คือฤิ์ของกสิณแต่ละกองการอธิบายละเอียดมันเหมือนกันว่าไปภาษียเวลาเปล่าท่านคอยท่านจําไว้นะถ้าจงรู้ไว้ากาสิณกองไหนสําหรับสําหรับเจดิตอะไรนะั้นผมจะบอกให้ทราบแล้วก็บอกประมาณแล้วนี่ ต, นนต่อไปนี้ไทก็ตั้งไทยไว้ก็ อระหังสัมมาสัมพุทธ佛กวะสัมสัมพุกวาะพุทธังพระกวนตังนภิวารีมิสุัวัาสวคภะะวาธมะาภะะวาธมมสัมมันัมสัมมิ ตูปาติปโนกุวะตูสาวกัสังครสตปาติปโนกวะตสาวกัสังครสังขังนบมามิ